วันนี้เป็นวันครูจะมีพิธีการไหว้ครูมีการแสดงความกตัญญูสัมมาคารวะต่อครูบาอาจารย์ต่างๆเพราะครูบาอาจารย์เป็นผู้มีพระคุณต่อลูกศิษย์ลูกหาถ้าลูกศิษย์ลูกหาไม่มีครูบาอาจารย์ จะไม่มีความรู้ความฉลาดในระดับต่างๆที่จะนำพาชีวิตให้อยู่อย่างร่มเย็ยนเป็นสุขแขวงาดปลอดภัยพวกเราทุกคนเกิดมาแล้วต้องมีครูบาอาจารย์ด้วยกันทุกคน ครูบาอาจารย์ระดับแรกของพวกเราก็คือบิดามารดานี่เราเรียกท่านว่าบุพการ์ครูบาอาจารย์ระดับแรกของพวกเราเป็นผู้สอนให้เราพูดสอนให้เราทำอะไรต่างๆสอนให้เรา รับประทานอาหารสอนให้เราอ า, อาบน้ำชำระร่างกายสอนให้พวกเราแต่งเนื้อแต่งตัวหวีผ้าหวีผมสอนอะไรต่างๆที่มีความจำเป็นต่อการดำรงชีพพอเราโตขึ้นมาอีกระดับหนึ่งท่านก็ส่งให้เราไป เรียนตามโรงเรียนต่างๆเราก็มีครูบาอาจารย์ในระดับต่อมาคือครูบาอาจารย์ตามสถานที่ศึกษาต่างๆระดับประถมระดับมัธยมระดับอุดมศึกษาจนเราในที่สุดก็ได้เป็นบัณฑิต คือได้จบปริญญาระดับต่างๆนอกจากนั้นเรายังมีครูบาอาจารย์อีกระดับหนึ่งที่ระดับสูงกว่าเดี๋ยวโยมไปนั่งคุยกันที่ที่ข้างนอกดีกว่านะอย่านั่งคุยกันตรงนี้เลยเพราะว่ามันทำลายสมาธิ ถ้านั่งเฉยๆไม่ได้โรวาไปนั่งที่ไกลๆจากตรงนี้ก็แล้วกันไปคุยที่ไหนก็ได้ไม่ห้ามแต่ขอความโคุิดอย่านั่งคุยกันตรงนี้มันเป็นการรบกวนผู้พูดและผู้ฟังและเป็นการขาดความเคารพในครูบาอาจารย์ครูบาอาจารย์เวลาพูดเวลาสั่งสอน ถ้าลูกศิษย์มีความเคารพจะตั้งใจฟังจะไม่พูดไม่คุยกันอที่นี่ไม่เหมือนที่อื่นถ้าที่อื่นนี้คุยกันได้เอไปตามวัดต่างๆพระจะเทศพระจะสวดอะไรนี่ญาติโยมจะนั่งคุยกันนี่ไม่มีใครเข้าว่าอะไรแต่ที่นี่ไม่ได้เป็นอย่างนั้นเพราะที่นี่ ต้องการให้คนฟังถ้าไม่ฟังก็ไม่พูดดีกว่าพูดไปแล้วมันก็เสียเวลาเปล่าๆพอไม่ได้ฟังเหมือนเทน้ำใส่แก้วที่คว่มอยู่เทน้ำใส่แก้วที่คว่มอยู่มันก็ไม่เข้าไปในแก้วใส่ไปก็เสียน้ำเปล่า นี่คือทำไมที่นี่เราจึงขอร้องให้นั่งเฉยๆให้ฟังอย่างเดียวกายวาจาใจสงบร่างกายไม่ขยับเขยื่อนวาจาไม่พูดกันใจไม่คิดเรื่องนั้นเรื่องนี้เพราะการฟัง จะได้ประโยชน์ได้ความรู้ก็ต่อเมื่อมีการตั้งใจฟังนั่นเองถ้าใจไม่หงายขึ้นรับฟังใจคว่มลงไปใจก็จะไม่รู้เรื่องว่าฟังอะไรเสียเวลาเปล่าๆคนฟังก็ไม่ได้รับประโยชน์คนพูดก็เสียน้าลายเสียเวลา นี่คือทำไมเหตุผลจึงต้องขอร้องให้ท่านที่เข้ามาในสถานที่นี้ตั้งอยู่ในความสงบกายสงบวาจาและสงบใจจะมีเขียนป้ายไว้ตามจุดต่างๆถ้าสังเกตก็คงจะเห็นถ้าอ่านก็คงจะเข้าใจอ๋อ การนํำเรียนการศึกษานี้มันต้องมีความตั้งใจถึงจะเรียนรู้เรื่องถึงจะเรียนจบ น, นี้พูดถึงเรื่องอวันครูใช่ไหมพิคเองา ว, วันของครูบาอาจารย์วันที่เราต้องการที่จะแสดงความสำนึก ต่อพระคุณของครูบาอาจารย์ที่ท่านอุตสาหประสิทธิ์ประสาทวิชาความรู้ต่างๆให้แก่พวกเราเพื่อให้พวกเรามีชีวิตที่ดีที่มีความล่มเย็นเป็นสุขปรสาสจากปัญหาปรสาสจากทุก์ต่างๆ การที่เราได้เรียนรู้จากพ่อแม่จากครูบาอาจารย์ตามสถานที่ศึกษาต่างๆเราก็จะได้เรียนรู้วิธีเลี้ยงดูร่างกายของเราให้อยู่อย่างปลอดภัยให้อยู่อย่างสุขอย่างสบายแต่เรายังไม่ได้เลี้ยงดูจิตใจของเรา ให้ได้สุขสบายเหมือนร่างกายเพราะว่าความรู้ที่จะคอยมาเลี้ยงดูจิตใจของเราให้สงบให้มีความสุขสบายเหมือนร่างกายนี้ไม่มีใครรู้พ่อแม่ก็ไม่รู้ครูบาอาจารย์ตามสถานศึกษาต่างๆก็ไม่รู้ถ้าเราต้องการความรู้ ที่จะมาดูแลรักษาจิตใจของเราให้สุขให้สบายเหมือนกับร่างกายเราก็ต้องเข้าหาพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์เท่านั้นเพราะพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์เป็นผู้ที่รู้วิธีที่จะรักษาจิตใจให้อยู่อย่างสุขอย่างสบายแข้งค่ า, าปลอดภัย จากทุกภัยอันตรายทั้งหลายทั้งปวงนั่นเองครูบาอาจารย์เกี่ยวกับทางจิตใจนี้ผู้ที่เป็นครูบาอาจารย์คนแรกของพวกเราก็คือพระพุทธเจ้านี่เองถ้าไม่มีพระพุทธเจ้าเป็นผู้ท่งค้นพบวิธีรักษาจิตใจให้ปลอดภัยจากความทุกข์ต่าง ให้หลุดพ้นจากความทุกข์ต่างๆจะไม่มีใครในโลกนี้ที่จะสามารถรู้ได้เลยเพราะว่าเป็นความรู้ที่ค่อนข้างที่จะเข้าถึงได้ยากผู้ที่จะเข้าถึงความรู้ น, นี้ได้ต้องเป็นบุคคลพิเศษจริงๆเป็นบุคคลที่เหนือกว่าบุคคลทั้งปวง อย่างสมัยนี้เราเรียกว่าเป็นซูเปอร์แมนเป็นคนที่ฉลาดมีความสามารถที่จะเห็นเหตุที่อะไรเหตุที่มาทำให้จิตใจของเราทุกข์ทำให้จิตใจของเราวุ่นวายเป็นผู้ที่มีดวงตาเห็นเห็นเหตุที่จะมากำจัด เหตุที่ทำให้เกิดความทุกข์ใจต่างๆให้หมดสิ้นไปได้ถ้าเราต้องการให้เรามีความสุขครบบริบูรณ์สุขทั้งร่างกายสุขทั้งจิตใจนอกจากการไปศึกษาวิชาความรู้ทางโลกแล้วเราก็ต้องมาศึกษาวิชาความรู้ทางธรรม จากพระพุทธเจ้าก็ดีจากพระธรรมคำสอนของพระพุทธเจ้าที่ได้มีการบันทึกไว้ในพระไตรปิฎกก็ดีหรือจากพระอริยสงฆ์สามกุที่ได้บรรลุธรรมขั้นต่างๆก็ดีท่านเหล่านี้จะเป็นผู้มีความรู้ที่จะสอนให้พวกเรา ได้รู้วิธีกำจัดความทุกข์ต่างๆให้หมดสิ้นไปจากใจจะอยู่อย่างไม่มีความทุกข์ถ้าไม่มีพระพุทธเจ้าพระธรรมหรือพระสงฆ์พวกเราจะสามารถกำจัดความทุกข์ได้เพียงทางร่างกายเท่านั้นแต่ความทุกข์ทางจิตใจ เราจะไม่รู้จักวิธีกําจัดกันอันนี้คือครูบาอาจารย์ที่ถือว่าเป็นครูบาครูบาอาจารย์ที่สูงสุดเป็นระดับที่สูงสุดคือระดับของจิตใจเพราะความรู้ที่มาปกป้องรักษาจิตใจให้ปราศจากความทุกนี้เป็นความรู้ที่ เลอที่สุดประเสริฐที่สุดให้คุณประโยชน์ได้มากที่สุดประโยชน์ทางจิตใจนี้เป็นประโยชน์ที่มากกว่าประโยชน์ทางร่างกายประโยชน์ทางร่างกายนี้เป็นประโยชน์ชั่วคราวเพราะว่าไม่สามารถที่จะรักษาให้ร่างกายอยู่ไปได้ตลอดนั่นเองเพียงแต่สามารถ รักษาให้ร่างกายอยู่ไปจนถึงวันสุดท้ายของชีวิตเท่านั้นเองแต่ประโยชน์ทางจิตใจนี้เป็นประโยชน์ถาวรเป็นประโยชน์อมตะเพราะว่าใจเป็นสิ่งที่ไม่ตายไปกับร่างกายใจนี้ไม่มีวันตายถ้าใจมีความรู้ที่กำจัดความทุกข์ต่างๆให้หมดสิ้นไปจากใจได้แล้ว ใจจะอยู่ปราศจากความทุกไปตลอดไม่มีวันสิ้นสุดนะเช่นใจของพระพุทธเจ้าตอนนี้ก็ยังอยู่อยู่อย่างเยอยู่อย่างไม่มีความทุกอยู่แบบที่ไม่เหมือนพวกเราอยู่กันใจของพวกเรานี้ทุ ก, กันวุ่นวายกัน กับเรื่องนั้นเรื่องนี้กับสิ่งนั้นสิ่งนี้กับบุคคล น, นั้นบุคคล น, นี้อยู่อย่างต่อเนื่องแต่ใจของพระพุทธเจ้านี้ตั้งแต่วันเพ็ญเดือนหกวันวิสาขาบูชาตอนที่พระพุทธเจ้ามีทรงพระชนชีพอายุ 35, สาสิบห้าพรรษาใจของพระพุทธเจ้าตั้งแต่บัดนั้นมาจนถึงบัดนี้ ไม่มีความทุกข์เลยมีแต่ความสุขเพียงอย่างเดียวเรียกว่าปรมังสุขขังบรมมัสุขใจของพวกเราก็สามารถที่จะเป็นอย่างนั้นได้ถ้าเราน้อมเอาพระธรรมคำสอนของพระพุทธเจ้ามาปฏิบัติกันศึกษาพระธรรมคำสอนเมื่อศึกษาแล้ว รู้ว่าสงสอนให้ปฏิบัติอย่างไรก็นำเอาไปปฏิบัติพอปฏิบัติแล้วไม่ช้าก็เร็วจิตใจก็จะสะอาดบริสุทธิ์จะกำจัดความทุกข์ต่างๆที่มีอยู่ภายในจิตใจให้หมดสิ้นไปได้ทำให้จิตใจไม่ต้องทุกข์อีกต่อไปไม่ต้องทุกข์กับคนนั้นทุกข์กับคนนี้ ไม่ต้องทุกข์กับเรื่องนั้นทุกข์กับเรื่องนี้ไม่ต้องทุกข์กับร่างกายไม่ต้องทุกข์กับความแก่ของร่างกายความเจ็บไข้ได้ป่วยของร่างกายความตายของร่างกายนี่คือสิ่งที่ความรู้ทางธรรมความรู้จากพระพุทธเจ้าจะทำให้เรานี สามารถกำจัดความทุกข์ใจต่างๆให้หมดสิ้นไปได้อย่างราบคาบและจะไม่มีวันพื้นกลับขึ้นมาอีกต่อไปถ้าเรามาคอยกำจัดความทุกข์ทางร่างกายเราก็จะกำจัดไปแบบไม่มีวันสิ้นสุดนะเพราะว่าหลังจากที่ร่างกายอันนี้ตายไปแล้วเดี๋ยวเราก็จะไปมีร่างกายอันใหม่ต่อ พอเรามีร่างกายอันใหม่เราก็ต้องมาคอยกาจัดความทุกข์ต่างๆของร่างกายอันใหม่ต่อไปกาจัดตั้งแต่วันออกมาจากท้องแม่ออกมาจากท้องแม่ก็ร้องแล้ร้องไห้พอหิวน้ำพอไม่มีอากาศหายใจต้องหายต้องหายใจเองเวลาอยู่ในท้องแม่นี้ไม่ต้องหายใจ พอจากท้องแม่นี้ก็ลองละลองเพราะไม่มีอากาศหายใจต้องหายใจเองถึงจะหยุดลองได้เดี๋ยวก็หิวน้ำเดี๋ยวก็หิวข้าวเดี๋ยวก็เจ็บตรงนั้นปวดตรงนี้ความทุกข์ทางร่างกายนี้มันมีอยู่อย่างต่อเนื่องต่อให้เรากําจัดมันได้มากน้อยเพียงไรมันก็จะไม่มีวันหมดสิ้นไป มันจะมีโผล่ขึ้นมาอยู่เรื่อยๆโผล่ขึ้นมาจนถึงวันตายแล้วพอตายก็ไปเกิดใหม่ไปมีร่างกายอันใหม่ต่อนี่คือการกำจัดความทุกข์ต่างๆทางร่างกายนี้จะไม่สามารถกำจัดมันได้อย่างราบคาบกำจัดมันได้เป็นพักๆชั่วครั้งชั่วคราวพอหิวน้าก็หาน้ามาดื่ม ความทุกข์ที่เกิดจากการหิวน้ำก็ระ ง, งับไปชั่วคราวเดี๋ยวไม่นานก็หิวน้ำขึ้นมาใหม่อกต้องไปหาน้ำมาดื่มอีกเดี๋ยวก็หิวข้าวเดี๋ยวก็เจ็บตรงนั้นปวดตรงนี้เดี๋ยวอากาศหนาวเย็นเข้ามาก็ทำให้ร่างกายหนาวก็ต้องหาผ้าห่มอะไรมาห่อมห่ม เพื่อให้ร่างกายไม่หนาวไม่เย็นความรู้ต่างๆที่เราเรียนตามโรงเรียนต่างๆความรู้ที่เราได้จากพ่อแม่เป็นความรู้ที่จะมาคอยกําจัดความทุกข์ทางร่างกายเพียงอย่างเดียวนั้นไม่มีความรู้ที่จะมากําจัดความทุกข์ทางจิตใจของพวกเราได้เลย เราไม่มีพระพุทธพระธรรมหรือพระสงฆ์มาเป็นครูเป็นอาจารย์พวกเรานี้จะต้องตกอยู่ในกองทุกข์แบบนี้ไปอย่างไม่มีวันสิ้นสุดเพราะเมื่อเราตายแล้วใจของเราก็จะกลับมาหาร่างกายอันใหม่มาเกิดใหม่มามีร่างกายอันใหม่มาทุกกับร่างกายอันใหม่ เราก็มาคอยกำจัดความทุกข์ต่างๆของร่างกายอันใหม่กำจัดไปจนถึงวันแก่วันเจ็บวันตายพอตายแล้วก็กลับมาเกิดใหม่อีกนะพอใจไม่ได้รับการดูแลรักษาใจนี้จะหิวโหวยอยู่กับการหาสิ่งต่างๆ มาให้ความสุขกับใจผ่านทางร่างกายนี้เองนี่คือสาเหตุที่ทำให้ใจต้องมามีร่างกายอันใหม่อยู่เรื่อยๆ เ, เพราะว่าใจยังฮะอยากจะหาความสุขต่างๆผ่านทางร่างกายนั้นเองอยากได้ลาบยศสรรเสริญอยากได้ความสุขทางตาหูจมูกลิ้นกายพอร่างกายอันเก่าตายไป ใจก็ไปหาร่างกายอันใหม่พอได้ร่างกายอันใหม่ก็มาหาลาบยศสัรเสริญมาหาความสุขทางตาหูจ้าปลูกดิ้นกายกันใหม่แล้วก็ตอแล้วก็แก่เจ็บตายไปอีกใหม่แล้วก็กลับมาเกิดใหม่นี่คือการที่ไม่ได้รับการมาดูแลรักษาใจ ไม่ได้มาแก้ปัญหาทางใจเพราะไม่มีความรู้ที่จะมาแก้ถ้าไม่เข้าหาพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์ปัญหาของการเกิดแก่เจ็บตายนี้จะไม่มีวันหมดจากจิตจากใจจิตใจจะต้องมากลับมาเกิดมาแก่มาเจ็บมาตายอยู่เรื่อยๆจะหยุดการกลับมาเกิดมาแก่มาเจ็บมาตายได้ จะยุดความทุกข์ต่างๆเกี่ยวกับความแก่ความเจ็บความตายเกี่ยวกับสิ่งนั้นสิ่งนี้บุคคล น, นั้นบุคคล น, นี้เรื่องนั้นเรื่องนี้ได้นี่ต้องเข้าหาพระพุทธพระธรรมหรือพระสงฆ์เท่านั้นนะพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์นี้เป็นเหมือนอาจารย์สามองค์พระพุทธเจ้าเป็นอาจารย์ใหญ่พระธรรมคาสอนเป็นเป็นอาจารย์รอง พระอริยสงสาว ก, ก็เป็นผู้ช่วยพระพุทธเจ้าสามารถศึกษาจากองค์ใดองค์หนึ่งก็ได้สมัยนี้เราก็ไม่สามารถเข้าถึงพระพุทธเจ้าได้แล้วเพราะว่าพระพุทธเจ้านี้ได้สงจากโลกนี้ไปนานแล้วจากโลกนี้ไปตั้งแต่ 2,500 กว่าปีมาแล้วปีนี้ 2,562 เวลาพุทธศักราชนี้เรานับจากวันที่พระพุทธเจ้านิพพานสเสด็จนิพพานจากโลกนี้ไปเราก็เริ่มนับพุทธศักราชอ mm hmm. พอพุทธศักราชหนึ่ง mm hmm. ก็เท่ากับหนึ่งปีที่พระพุทธเจ้าได้จากไปพอพุทธศักราชสองพันห้าร้อยหกสิบสองก็ เป็นสองพันห้าร้อยหกสิบสองปีที่พระพุทธเจ้าได้จากไปแต่พวกเรานี้โชคดีที่พระพุทธเจ้าฉลาดก่อนที่จะจากไปนี้ท่านทิ้งตัวแทนไว้ท่านเตรียมตัวแทนไว้มีสองสองตัวแทนด้วยกันคือหนึ่งพระธรรมคําสอนที่ทรงแสดงไว้ตลอดระยะเวลาสี่สิบห้าปีด้วยกันเอ อันนี้ก็มีผู้คอยจดจํากันแล้วก็ถ่ายทอดกันมาอย่างต่อเนื่องตามลําดับคือพระสองฆ์องค์เจ้าเป็นหลักพระสองฆ์องค์เจ้าที่มาบวชนี้จะต้องศึกษาพราะธรรมคาสอนของพระพุทธเจ้ากันจะต้องท่องจําพระสูตรต่างๆคําสอนต่างๆเรียกว่าพระสูตรหนึ่งคาสอนหนึ่ง หนึ่งการเทศก็เรียกว่านึงพระสูตรเช่นเวลาแสดงการเทศครั้งแรกแสดงให้กับพระปัญจวัคคีเ้วก็เรียกการเทศนี้ว่าธรรมจักกับปวัตนสูตรอันนี้ก็เป็นหนึ่งการเทศเพอแสดงการเทศที่สองทรงแสดงเกี่ยวกับอนัตตาเราก็เรียกการเทศนี้ว่าอนาัอนาตตนัตตะลักกนสูตร นี่คือพระสูตรต่างๆคือทำรำต่างๆที่ทรงแสดงในแต่ละครั้งจะมีการตั้งชื่อไว้เพื่อจะได้จดจาจะได้รู้ว่าพูดถึงพระสูตรอันไหนพอพูดถึงธรรมาจากกับปรมณสูตรคนที่ท่องจำก็จะรู้ว่าอ๋อพูดถึงเรื่องมรรคแปดพูดถึงเรื่องอริยาาสัจสี พอพูดถึงเรื่องอนัตตลักษณะสูตรก็จะรู้ว่าพูดถึงเรื่องอนัตตาขันหเป็นอนัตตารูปังอนัตตาเวทนาอนัตตาเนี่ยถ้าพูดถึงสติปฐานสูตรก็รู้ว่าพูดถึงเรื่องวิธีเจริญสติเจริญสติในที่สี่สถานด้วยกันคือกายเวทนาจิตธรรมเนี่ย อันนี้เป็นพระสูตรต่างๆที่พระพุทธเจ้าได้ทรงแสดงไว้สั่งสอนผู้ที่สนใจที่ต้องการที่จะหลุดพ้นจากความทุกข์ต่างๆให้อนาเอาไปปฏิบัติตามผู้ใดปฏิบัติตามได้สำเร็จผู้นั้นก็สามารถที่จะหลุดพ้นจากความทุกข์ทั้งปวงได้พระพุทธเจ้าทรงเตรียมตัวแทนไว้ ด้วยการแสดงธรรมทุกวันวันละสามสี่รอบด้วยกันตอนบ่ายแสดงธรรมให้ศรัทธาญาติโยมตอนค่ำแสดงธรรมให้กับภิกษุภิกษุณีสัมมเณนตอนดึกทรงแสดงธรรมให้กับเทวดาและตอนเช้ามืดก่อนที่จะเสด็จออกบินทบาตก็ทรงแรงยานดูว่า ควรจะไปแสดงธรรมให้กับใครเป็นกรณีพิเศษใครที่พร้อมที่จะรับธรรมและอาจจะต้องมีอะไรเป็นไปจะต้องเสียชีวิตไปในระยะเวลาอันใกล้ก็ทรงลุ่งไปแสดงธรรมให้กับบุคคล น, นั้นเพื่อให้เขาได้รับประโยชน์ก่อนที่เขาจะจากโลกนี้ไปเนี่ยพระธรรมต่างๆเหล่านี้ได้มีการจดจำไว้มีพระติดตาม คอยจดคอยจากันแล้วก็มาท่องจํากันแล้วก็ถ่ายทอดให้กับพระที่มาบวชทุกรูปพระที่มาบวชทุกรูปก็จะมาแบ่งกันคงไม่ได้ท่องจําทั้งหมดทั้งพระไต่ปิดกก็แบ่งเป็นกลุ่มๆสายๆไปกลุ่มนี้ก็ท่องสูตรกลุ่มนีอม้อีกกลุ่มนี้ก็ท่องอีกกลุ่มอีกสูตรหนึ่งอันนี้เพื่อเป็นการรักษา แล้วเป็นการสั่งสอนผู้ที่ท่องจาไปในตัวด้วยเพราะว่าบางทีไม่ได้มีโอกาสได้ฟังธรรมเหล่านี้ก็ได้ฟังจากผู้ที่จดจาไว้แล้วพอผู้ที่จดจามาม า, มาถ่ายทอดต่อก็มาท่องจากันต่อเพื่อจะได้ไม่หลงไม่ลืมเพราะธรรมะนี้จะมีประโยชน์ก็ต่อเมื่อมันเข้าไปในใจ ถ้ามันอยู่ข้างนอกใจอย่างตอนนี้ตอนนี้ธรรมะอยู่ที่ผู้แสดงไม่ได้อยู่ในใจของผู้ฟังผู้ฟังเวลาฟังธรรมก็กำลังรับธรรมะเข้าไปสู่ใจแต่จะรักษาให้อยู่ในใจได้หรือไม่ก็อยู่ที่ว่าจะเอาไปจดจำต่อหรือไม่เอาไปท่องจำต่อหรือไม่ถ้าไม่เอาไปท่องจำเดี๋ยว ทที่ได้ฟังได้ยินในวันนี้ก็จะลืมไปหายไปได้ถ้าต้องการที่จะให้ทรรมที่ได้ยินได้ฟังในวันนี้อยู่ในใจต่อไปก็ต้องเอาไปจดเอาไปจำไปทำการบ้านต่อวันนี้พูดเรื่องครูวันครูวันที่เราจะมาบูชาพระคุณของครูบาอาจารย์เพราะพระคุณของครูบาอาจารย์นี้ เป็นพระคุณที่ยิ่งใหญ่ที่มีคุณประโยชน์กับเราไม่ว่าจะเป็นทางร่างกายหรือทางจิตใจทางร่างกายก็มีพ่อแม่ของเราที่เป็นครูที่สำคัญของพวกเราที่พวกเราลืมพระคุณอันประเสริฐนี้ไม่ได้แล้วก็ครูตามโรงเรียนต่างๆตามสถานที่ศึกษาต่างๆ ทาที่ประสิทธิราสาทวิชาความรู้ต่างๆที่ให้เราได้เอาไปทรมาหากินเลี้ยงปากเลี้ยงท้องได้นท่านเป็นผู้มีพระคุณกับเราแล้วก็ถ้าเราต้องการความรู้ทางด้านทางธรรมเราก็ต้องเข้าหาพระพุทธพระธรรมหรือพระสงฆ์นี่พระพุทธเจ้าตอนนี้ท่านจากเราไปแล้วแต่ท่านได้เตรียมครู ตัวแทนไว้สองครูด้วยกันคือพระธรรมคำสอนที่ได้มีการจดบันทึกเอาไว้ในพระไตรปิฎกสองพระอริยสงสาวกต่างๆพระปฏิบัติดีปฏิบัติชอบพระที่ศึกษาคำสั่งคำสอนของพระพุทธเจ้าแล้วปฏิบัติตามอย่างแข่งัดจนสามารถกำจัดความทุกข์ต่างๆ ที่มีอยู่ภายในใจให้หมดสิ้นไปได้ท่านก็ปรากฏเป็นพระอริยสงสาวกขึ้นมาถ้าได้พบกับพระอริยสงสาวกหรือได้พบกับพระธรรมคําสอนในพระไตรปิฎกก็ถือว่าเราได้พบกับพระพุทธเจ้าพระพุทธเจ้าได้ทรงตัดไว้ก่อนที่จะจากไปว่าพวกเราจะไม่ได้อยู่ปราศจากพระพุทธเจ้าจะไม่ได้อยู่ปราศจากศาสดา เพราะว่าศาสดาของพวกเราก็คือพระธรรมคำสอนที่ได้ทรงแสดงไว้อย่างดีแล้วนั่นเองเออทำที่ตัดไว้ชอบนี่แหละจะเป็นศาสดาของพวกเธอต่อไป อ, อ, อย่างนั้นเราขอให้มีความมั่นใจได้ว่าเรายังเข้าหาพระพุทธเจ้าได้อยู่โดยผ่านพระธรรมคำสอน ที่มีบันทึกไว้ในพระไตรปิฎกและผ่านพระอริยสงฆ์สาวกต่างๆถ้าเรามีโอกาสได้พบปะกับพระอริยสงฆ์สาวกก็เท่ากับเราได้เข้าถึงพระพุทธเจ้าได้ได้เข้าถึงพระธรรมอันประเสริฐของพระพุทธเจ้าได้ได้รับประโยชน์จากพระธรรมอันประเสริฐนี้ได้เหมือนกับที่ได้รับจากพระพุทธเจ้าโดยตรงเลย น, นี่คือพระคุณของพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์ที่มีพระคุณมากกว่าพระคุณของบิดามารดาของครูบาอาจารย์ตามสถานศึกษาต่างๆเพราะว่าพระคุณของบิดามารดากับครูบาอาจารย์ตามสถานที่ศึกษาต่างๆนี้ช่วยเรากำจัดเพียงแต่ความทุกข์ทางร่างกายเท่านั้นแล้วก็เป็นการกำจัดแบบชั่วคราว ไม่สามารถกำจัดมันหมดได้อพอกำจัดจนร่างกายนี้ตายไปแล้วเดี๋ยวก็กลับมาเกิดมามีร่างกายอันใหม่เองจะหยุดเกิดก็ไม่รู้จักวิธีหยุดว่าหยุดอย่างไรจะหยุดการเกิดได้ก็ต้องมีวิชาทางธรรมเท่านั้นวิชาทางธรรมนี้แหละเป็นวิชาที่จะทำให้เราหยุดกลับมาเกิดแ ก, ก่เจ็บตายได้หยุดกลับมาทุกข์กับความแก่ความเจ็บความตาย หยุดมาทุกหยุดกับการที่จะต้องมาทุกขกับคนนั้นคนนี้เรื่องนั้นเรื่องนี้สิ่งนั้นสิ่งนี้ต้องหยุดด้วยที่ใจของเราผู้ที่จะสอนให้เราหยุดได้ก็คือพระพุทธพระธรรมหรือพระสงฆ์นั่นเองพอเราหยุดได้แล้วทีนี้เราจะไม่ต้องทุกข์กับอะไรอีกต่อไปเพราะเราจะไม่ต้องกลับมาเกิดอีกแล้วพอไม่เกิดมันก็ไม่แก่ไม่เจ็บไม่ตาย ไม่ต้องเจอคนนั้นเจอคนนี้ไม่ต้องเจอสิ่งนั้นเจอสิ่งนี้ไม่ต้องเจอเรื่องนั้นเจอเรื่องนี้นี่คือความประเสริฐของพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์พระคุณของพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์นี้จึงถือว่าเป็นพระคุณที่ยิ่งใหญ่กว่าพระคุณทั้งปวงวิธีที่เราจะทดแทนบุญคุณของผู้มีพระคุณเหล่านี้ เราทำได้อย่างไรพระพุทธเจ้าบอกว่าก็มีสองวิธีคือบูชาพระคุณด้วยอมิสสบูชาสองบูชาด้วยปฏิบัติบูชาการบูชาด้วยอมิตสบูชาก็คือการที่เราเข้าหาผู้มีพระคุณเช่นบิดามารดาครูบาอาจารย์แล้วก็น้อมนำเอาเครื่องสักการะมาถวาย มากมาแสดงความเคารพกราบแล้วก็มีเครื่องสักการะบูชาเช่นดอกไม้ทูกเทียนเป็นการแสดงถึงความกระตันอยู่ความสำนึกในความในพระคุณของผู้ที่มีพระคุณแล้วก็เป็นการแสดงสัมมาคารวะแสดงความอ่อนน้อมแสดงความยกย่องพระคุณของผู้ที่สูงกว่า อันนี้ก็เป็นวิธีบูชาพระคุณอันดับแรกนะแต่พระพุทธเจ้าบอกว่ายังมีวิชาวิธีบูชาพระคุณที่ยิ่งใหญ่กว่าการบูชาด้วยอามิสบูชาก็คือการปฏิบัติบูชาการปฏิบัติบูชานี้ทำอย่างไรก็ปฏิบัติตามคำสั่งคำสอนของผู้ที่สั่งสอนเหล่านั้นเอง พ่อแม่สั่งสอนให้เราทำอะไรเราก็เชื่อฟังครูบาอาจารย์ที่เราไปศึกษาตามโรงเรียนสอนให้เราทำอะไรเราก็เชื่อฟังทำตามพอเราทำตามเราก็จะได้ทำได้ถูกต้องนั่นเองเราก็จะได้รู้จักวิธีทำอะไรต่างๆให้เกิดประโยชน์กับตัวเราอันนี้สำคัญกว่าเพราะว่าครูบาอาจารย์ทั้งหลายนี้ ท่านไม่ต้องการอะไรตอบแทนจากเราเพราะแม่นี้ไม่หวังอะไรจากเราเลยมีแต่ให้อย่างเดียวครูบาอาจารย์ก็ไม่ได้หวังอะไรตอบแทนจากลูกสิทธิโลกหาต้องการให้วิชาความรู้อย่างเดียวพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์ก็เหมือนกันไม่ต้องการอะไรเป็นการตอบแทนครูบาอาจารย์ต่างๆเหล่านี้ท่านเป็นเหมือนน้ำตกน้ำตกนี่ไม่มีวันหลขึ้นใช่ไห มีแต่หลาหลงพ่อแม่ครูบาอาจารย์ทั้งหลายมีแต่ให้ท่านเป็นผู้ให้ท่านไม่ได้ต้องการจะรับอะไรจากเราเพราะท่านเป็นผู้ใหญ่กว่าเราท่านสามารถดูแลตัวของท่านเองได้ท่านเลยไม่ได้หวังที่จะให้เราต้องมาดูแลท่านแต่อย่างใดท่านไม่ต้องการอะไรจากเราแม้แต่การที่เรามาแสดงอามิสบูชานี้ ท่านก็ไม่ได้สนใจอะไรแต่มันเป็นจิตสํานึกของผู้ผู้ที่ได้รับประโยชน์ได้รับพระคุณที่ควรที่จะแสดงความกตัญญูความเคารพต่อพระคุณแต่ผู้ที่ได้รับการเคารพนี้ท่านไม่ได้อมีความรู้สึกอะไระจากเคารพหรือไม่เคารพนี้ไม่สําคัญสําคัญว่า ได้รับประโยชน์จากคำสั่งคำสอนของท่านหรือเปล่าถ้าสอนแล้วไม่ได้รับประโยชน์นี่ก็เสียเวลาเปล่าๆเห็นถ้าเราอยากจะให้เวลาของครูบาอาจารย์นี้ไม่เสียไปสูญเปล่าเราต้องปฏิบัติบูชาคือเราต้องปฏิบัติตามคำสั่งคำสอนของครูบาอาจารย์ต่างๆในระดับทางโลกก็คือเรียนให้จบกัน เรียนให้จบอนุบาลจบประถมจ บ, บมัธยมจบระดับอุดมศึกษาไม่ใช่เรียนไปกลางทางแล้วก็สอบตกเรียนแล้วก็เรียนไม่จบอย่างนี้ก็ถือว่าไม่ได้ปฏิบัติบูชาทางธรรมก็เหมือนกันทางธรรมถ้าเราอยากจะบูชาคุณของพระพุทธเจ้า เราก็ต้องปฏิบัติดีปฏิบัติชอบเพราะพระพุทธเจ้าได้ทรงตัดไว้ว่าผู้ที่ปฏิบัติดีปฏิบัติชอบปฏิบัติสมควรแก่ธรรมผู้นั้นแหลคือเป็นผู้ที่บูชาเราตถาคตตถาคตก็คือพระพุทธเจ้าเวลาที่พระองค์ทรงตัดถึงพระองค์นี้พระองค์จะเรียกพระองค์ว่าตถาคต ผู้ใดปฏิบัติทรรมสมควรแก่ทรรมผู้นั้นคือผู้บูชาเราตถาคตนไม่ได้บอกว่าผู้ที่กราบไหว้เราด้วยดอกไม้ทูกเทียนเป็นผู้ที่บูชาเราแต่ทรงตัดว่าต้องเป็นผู้ปฏิบัติดีปฏิบัติชอบถึงจะถือว่าเป็นผู้บูชาตถาคตเพราะตถาคตไม่ต้องการอะไรจากพวกเรา ต้องการให้พวกเราได้รับประโยชน์อย่างเต็มที่จากพระธรรมคําสอนอนประเสริฐของพระ อ, องค์นั่นเองจะได้รับประโยชน์อย่างเต็มที่ก็ต้องปฏิบัติอย่างเต็มที่ที่เรียกว่าสุปฏิปันโนปฏิบัติ ด, ดีปฏิบัติชอบเพราะถ้าปฏิบัติดีปฏิบัติชอบแล้วผลที่จะเกิดก็คือมรรคผลนิพพานนี่เองมรรคสีผลสีนิพพานหนึ่งคือการหลุดพ้นจากความทุกข์ ต า, ตามระดับต่างๆนับตั้งแต่ระดับแรกขึ้นไปจนถึงระดับที่สูงสุดระดับพระโสดาบันระดับพระสกิดาคามีระดับพระอนาคามีระดับพระอารหันต์จะเกิดขึ้นได้ก็เกิดจากการปฏิบัติบูบชานี้เองคือการปฏิบัติดีปฏิบัติชอบนี่ะคือการบูชาที่แท้จริง ของชาวพุทธเราขอให้เราอย่าลงไปกับการบูชาด้วยอาบิสบูชาเพียงอย่างเดียวอาบิสบูชาก็ทาไปตามวาระโอกาสอันเหมาะสมเวลามีโอกาสเข้าไปหาครูบาอาจารย์ก็สามารถแสดงความเคารพได้แสดงบูชาได้นำเอาดอกไม้ทูกเทียนเข้าไป แต่ น, นี่เป็นเพียงส่วนย่อยไม่ได้เกิดประโยชน์อะไรมากไม่สามารถทําให้ผู้ที่บูชาด้วยอมิสบูชานี้บรรลุถึงมรรคผลนิพพานได้ไม่สามารถกำจัดความทุกข์ต่างๆให้หมดสิ้นไปจากใจได้นะต้องเกิดจากการปฏิบัติบูชาปฏิบัติตามคำสอนของพระพุทธเจ้าสามประการด้วยกัน พระพุทธเจ้าทรงสอนสามประการคืออะไรคือข้อที่หนึ่งให้รับการกระทำบาปทั้งปวงสองให้สร้างกุศลทั้งหลายให้ถึงพร้อมสามให้ชาระใจให้สะอาดบริสุทธิ์นี่แหละคือสิ่งที่พระพุทธเจ้าต้องการจากพวกเราต้องการให้พวกเราปฏิบัติดีปฏิบัติชอบในธรรมสามข้อนี้ ให้ละการกระทําบาปทั้งปวงให้สร้างบุญกุศลทั้งหลายให้ถึงพร้อมสามให้ชําระใจให้สะอาดบริสุทธิ์นะเพราะถ้าเราสามารถปฏิบัติทั้งสามข้อนี้ได้อย่างเต็มที่ถ้าเป็นนักเรียนก็ผ่านทั้งสามวิชานี้เราก็จะได้รับปริญญาเอกของทางพระพุทธศาสนาเราจะได้รับพระ น, นิพพานเป็น เป็นใบประกาศนิยบันรับรองว่าจิตดวงนี้จะไม่มีวันที่จะกลับมาเกิดมาแก่ ม, มาเจ็บมาตายต่อไปจิตดวงนี้ไม่ว่าจะไปอยู่ที่ไหนอยู่ขณนขณะที่มีร่างกายหรืออยู่ในขณะที่ไม่มีร่างกายจะไม่มีความทุกข์ปรากฏขึ้นมาอีกต่อไปผู้ใดเรียนจบป ร, ริญญาเอกของพระพุทธศาสนาแล้วนี้จะหลุดพ้นจากความทุกข์ทั้งปวง ดดตั้งแต่ยังไม่ตายเนีร่างกายยังอยู่แต่จะไม่ทุกข์กับร่างกายกต่อไปจะไม่ทุกข์กับความแก่ของร่างกายจะไม่ทุกข์กับความเจ็บไข้ได้ป่วยของร่างกายจะไม่ทุกข์กับความตายของร่างกายอย่างเด็ดขาดอย่างแน่ น, นอนเพราะเหตุที่ทําให้เกิดความทุกข์นั้นได้ถูกกําจัดด้วยการปฏิบัติธรรมสามขั้นนี้แล้ว คือละการกระทำบาป ท, ทั้งปวงสร้างบุญกุศลทั้งหลายให้ถึงพร้อมชำระใจให้สะอาดบริสุทธิ์เนี่ยนี่แหละคือวิธีบูชาพระคุณของพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์ต้องบูชาด้วยการปฏิบัติบูบชาเท่านั้นถึงจะเกิดผลได้อย่างเต็มที่ถึงได้ถึงจะได้ประโยชน์อย่างเต็มที่แล้วก็จะ เป็นการแสดงความกตัญญูต่อพระพุทธเจ้าต่อพระทมคำสอนต่อพระอริยสงสาวกได้อย่างแท้จริงนะไม่ได้เกิดจากการที่เพียงแต่กราบไหวบูชาอย่างชาวพุทธของพวกเราส่วนใหญ่จะเป็นอย่างนี้กันเป็นชาวพุทธที่ชอบอามิสบูชาชอบไปวัดแล้วก็ไปกราบาพระประธานในโบสถ์ จุดธูปเทียนสามดอกแล้วก็ถวายดอกไม้ถวายเครื่องสักการะต่างๆเสร็จ แ, แล้วก็ถือว่าได้บูชาแล้วไม่เคยได้ยินได้ฟังหรือรู้ถึงการปฏิบัติที่พระพุทธเจ้าการบูชาที่พระพุทธเจ้าต้องการให้บูชาเลยก็คือให้บูชาด้วยการปฏิบัติบูชายังไม่มีใคร ปฏิบัติตามคําสอนกันอให้ละการกระทําบาปทั้งปวงเอบ้านเมืองก็มีคนทําบาป ก, กันทั่วไปหมดเอให้สร้างบุญสร้างกุศลกันก็ไม่ค่อยสร้างกันอให้ชําระจิตใจให้สะอาดบริสุทธิ์ก็ไม่มีการชําระกันก็เพราะเข้าใจผิดเนี่ยคิดว่าการบูชานี้ก็ให้บูชาด้วยอมิสซาบูชาก็พอเพราะไม่มี ใครสอนใครบอกกันเวลาไปวัดก็ให้ไปกราบพระกันให้จุดทูบเทียนให้ถวายดอกไม้เสร็จแล้วก็ถือว่าได้บูชาพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์แล้วอันนี้เป็นปัญหาใหญ่ของชาวพุทธเราในประเทศไทยเนี่ยประเทศไทยเราตอนนี้ชาวพุทธเหล่านี้เข้าไม่ถึงตัวพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์ เพราะว่าขาดการขาดการประชาสัมพันธ์ผู้ที่มีหน้าที่ประชาสัมพันธ์นี้อาจจะมีน้อยหรือไม่ได้ทำหน้าที่หน้าที่ที่จะสอนที่จะบอกให้ชาวพุทธเหล่านี้ให้ปฏบิบัติบูชากันนั่นเองถ้ามีการสอนมีการบอกอตั้งแต่ระดับพ่อแม่มาเลย ถ้าพ่อแม่มีลูกเนี่ยสิ่งที่พ่อแม่ควรจะสอนลูกนอกจาก อ, อาบิสบูชาแล้วต้องคอยสอนลูกให้ปฏิบัติบูบชาด้วยสอนตั้งแต่เด็กได้เลยเนี่ยไม่ทำบาปเด็กข้อแรกก็สอนอย่าให้ลักขโมยเด็กชอบลักขโมยเพราะมันไม่รูร้ภาษีภาษาเห็นอะไรอยากได้มันก็หยิบมาคว้ามา ก็ต้องสอนว่านี่อย่าทำอย่าทำบาปนะอย่ารักขโมยพอพูดได้ก็ต้องสอนว่าอย่าอย่ากโกหกเนแล้วพอโตขึ้นไปกว่า น, นั้นก็อย่าไปประพฤติผิดประเวณีเออไมมเด็กวัยรุ่นสมัยนี้ก็เรียกว่าชิงสุกก่อนหามกันไหเอ่ายังเรียนไม่จบท้องป่องขึ้นมาก็มีเรียกว่าชิงสุกก่อนหาม เพราะไม่มีใครสั่งใครสอนกันไม่มีการสอนว่า น, นี่คือวิธีปฏิบัติบูชาต้องละการกระทำบาปและอบายามุขต่างๆพอโตขึ้นมาอีกหน่อยก็ต้องสอนอย่าเดิมโุราพอเข้าพอเริ่มโตหน่อยเดี๋ยวเพื่อนผู้ก็มาชวนเดิมโุรากันะตอนต้นก็อย่าสอนไม่อย่าให้ขโมยพอพูดไดพูดอะไรได้ก็สอนให้อย่าโกหก พอดื่มสุราได้ก็ต้องอย่าดื่มสุราพอไปมีเพศสัมพันธ์ได้ก็อย่าไปประพฤติผิดประเวณีแล้วถ้าโตขึ้นไปก่อนนั้นก็ห้ามอย่าฆ่าสัตว์ตอนต้นก็อย่าฆ่าสัตว์นักสัตว์น้อยฆ่ามดฆ่ามแมลงฆ่าอะไรต่างๆให้มีความเมตตาต่อกันะถ้าสอนอย่างนี้แล้วรับรองได้ว่าชาวพุทธเหล่านี้ จะไม่เหมือนชาวพุทธที่เป็นอยู่ทุกวันนี้ชาวพุทธตอนนี้ไปอยู่ในทะเบียนบ้านหมดนะแต่ในตัวคนนี้ไม่มีพุทธอยู่เลยเห็นไหมทาํอาอาชีพอาชีพอาบายามุขทั้งนั้นเปิดบาร์เปิดผับเปิดสถานบันเทิงเปิดสถานอาบอบนวดอะไรต่างๆชาวต่างประเทศที่เขาศึกษา พระธรคำสอนในพระไตรปิฎกนี้เขาแปลกใจว่าเอ้เมืองไทยนี้เป็นเมืองพุทธแล้วทำไมการกระทำบาปต่างๆนี้ทำกันอย่างโจ่งครึมทำกันอยู่ทุกแห่งทุกคนมีบามีผับมีการดื่มสุรามีการเสพกามกันอย่างอย่างอย่างเปิดเผยว่าอย่างนั้นเถิดอันนี้มันขัดต่อหลัทธธรรมคำสอนของพระพุทธเจ้า ก็ เ, เพราะว่าคนไทยเราชอบอาบิสบูชาชอบเข้าวัดชอบจุดทูบเทียนสามดอกชอบเข้าห้องพระมีห้องพระกันทุกจุดทูบเทียนสามดอกกันบูชาด้วยอ า, อาหารบ้างบางบ้านก็ต้องมีอาหารเลี้ยงข้าวพระมีเครื่องดื่มบางบ้านก็มีเครื่องดื่มเปิดน้ำเขียวน้ำแดงบูช า, าบูชาแบบนี้กัน บูชาแล้วก็ขอหวยกันขอให้ถูกหวยขอให้ได้สิ่งนั้นสิ่งนี้กันนี่คือความเข้าใจของชาวพุทธเราไม่ได้มีการเข้าถึงพระพระไตรปิฎกเลยเชื่อไหมคำว่าพระไตรปิฎกนี่แทบจะไม่รู้จักเลยร้ำความว่าเป็นอะไรพระไตปรปิฎกเป็นอะไรไม่รู้เพราะไม่มีการสั่งการสอน สมัยก่อนยังดีนะสมัยที่เราเป็นเด็กนี่โรงเรียนยังมีสอนศีนลธรรมมีวิชาพุทธศาสนาสอนให้เข้าวัดวันพระพาเด็กเข้าวัดไปฟังเทศน์ฟังธรรมอยู่ที่โรงเรียนก็มีสอนประวัติของพระพุทธเจ้าสอนคําถอนคําสั่งคําสอนของพระพุทธเจ้าแต่ต่อมาไม่รู้หายไปไหนถูกถูกถูกอะไรกลืนไปก็ไม่รู้ถูกวิชากิเลสกลืนไปมั้ง กิเลสอวิชชานี้มันไม่ชอบพระธรรมคำสอนเพราะพระธรรมคำสอนจะมาคอยกำจัดกิเลสอวิชชาให้หมดไปจากใจมันก็เลยใช้กลยุทธ์กำจัดพระธรรมคำสอนตั้งแต่ในระดับแรกเลยคือระดับโรงเรียนเลยอย่างนี้โรงเรียนไม่มีการศึกษาพุทธศาสนาแล้วเพราะอย่างนี้เราอยู่ในโลกาภิวัตน์เราตามต่างชาติ สังชาติก็ถือว่าต้องเปิดโอกาสให้ทุกศาสนามีสิทธิ์เท่ากันถ้าให้สอนวิชาพุทธในโรงเรียนต่อไปก็ต้องสอนวิชาอิสลามต้องสอนวิชาคริสด้วยถึงจะเท่าเทียมกันเขาก็เลยไม่รู้จะทํำยังไงเขาก็เลยก็อย่าไปสอนมันทั้งหมดก็หมดเรื่องอไม่ต้องสอนพุทธไม่ต้องสอนอิสลามไม่ต้องสอนคริสตอใครอยากจะเรียนพวกนี้ต้องไปเรียนที่อื่น ทีนี้พ่อแม่ก็บางทีไม่สนใจก็ไม่พาลูกเข้าวัดกันโรงเรียนก็ไม่สอนพ่อแม่ก็ไม่พาเข้าวัดลูกก็เลยมีชื่ออยู่ในทะเบียนบ้านเท่านั้นเองแต่ตัวลูกนี้ไปเสพยาเสพติดบ้างไปประพฤติผิดประเวณีบ้างไปดื่มสุรายาเมาบ้างไปเล่นการพนันบ้างแล้วบ้านเมืองเป็นยังไงทุกวันนี้ บ้านเมืองนี้มีแต่เรื่องมีแต่เล่าไม่รู้จักจบจากสิน้นเพราะอยู่ห่างไกลจากศาสนามีแต่ชื่ออยู่ในทะเบียนบ้านเป็นพุทธต้องเก้าสิบเอร์เซ็นังเก้าสิบกว่าเปอร์เซ็นตแต่ที่เป็นพุทธจริงๆนี่ไม่รู้มีถึงกี่สิบเอร์เซนตหรือไม่มที่ปฏิบัติตามคําสอนของพระพุทธเจ้าสามข้อนี้คือละการกระทําบาปทั้งปวง ถ้าเป็นพูดจริงนี้ต้องถือศีลห้าเป็นนิจศีลเป็นปกติจะไม่ทําบาปโดยเด็ดขาดทั้งห้าข้อนอกจากห้าข้อแล้วยังต้องละอบายามุกอีกด้วยเพราะอ า, าบายามุกก็เป็นน้องของบาปนี่เองถ้ามีอบายามุกเดี๋ยวก็ไปทําบาปต่อก็ต้องละอบายามุกด้วย ละการเดื่มโซดาแล้วต้องมาละการเล่นการพนันละการเที่ยวกลางคืนเที่ยวบาร์เที่ยวผับเที่ยวทามสถานบันเทิงต่างๆแล้วก็ละความเกียดค้านละการคบกับคนที่ชอบอบายามุขเนี่ยอันนี้เป็นเป็นนิสัยของชาวพุทธที่แท้จริง ถ้าเป็นชาวพุทธลองตรวจ ด, ดูว่าเรามีนิสัยเหล่านี้อยู่ในใจเราปะ่ะอยู่ในตัวเราหรือเปล่าเราไม่ทําบาปหรือเปล่าเราไม่ลักทรัพย์หรือเปล่าไม่ชอบโกงหรือเปล่าเราไม่ประพฤติผิดประเวณีหรือเปล่าเราไมา่พูดปดหรือเปล่าเราไม่ดื่มสุลาไม่เสพประบายามุขต่างๆหรือเปล่าถ้าเรา ไม่กระทำสิ่งแล้วนี่ถือว่าเราเป็นพุทธขึ้นมาหนึ่งหนึ่งในสามแล้วหนึ่งในสามข้อแล้วไม่กระทำบาปทั้งปวงข้อที่สองก็คือให้สร้างบุญสร้างกุศลให้ถึงพร้อมเราทำบุญอยู่เรื่อยๆหรือเปล่าเมื่อก่อนนี้วัดจะอยู่กับหมู่บ้านชาวบ้านนี้จะทำบุญกันทุกวันเพราะจะมีพระมาบิณฑบาต สมัยก่อนพระกับวัดนี้ใกล้ชิดกันวัดกับบ้านใกล้ชิดกันแต่สมัยนี้ไม่ได้ใกล้ชิดกันเหมือนเมื่อก่อนเพราะว่าชาวพุทธเราเดี๋ยวนี้ต้องรีบไปทำงานแต่เช้ากันไปหาเงินหาทองเพื่อที่จะได้มาใช้ใจ่ายกับสิ่งต่างๆจังหวะที่จะมาใส่บาตรก็เลยไม่มี ก็เลยไม่ค่อยได้ทําบุญกันการทําบุญใส่บาทนี่ก็เป็นเพียงวิธีหนึ่งเท่านั้นเองสามารถทําบุญได้หลากหลายวิธีด้วยกันทําบุญกับบิดามารดาก็ได้ได้บุญเหมือนกันเอทําบุญกับบิดามารดาเหมือ น, นได้ทําบุญกับพระอรหันต์พระอพ่อแม่นี้มีพระคุณมากเหมือนกับพระอรหันต์ พ่อแม่นี้ให้เลี้ยงดูเรามาให้ชีวิตกับเราพระอาหารหันต์ท่านก็ให้การหลุดพ้นจากกองทุกเนี่ยการที่เราได้ทำบุญกับพ่อแม่ก็ถือว่าเราได้ทำบุญกับพระอาหารหันต์ได้บุญมากนอกจากทำบุญกับพ่อแม่แล้วก็ทำบุญกับญาติพี่น้องก็ได้ถ้าญาติพี่น้องขาดแคลนอดอยากเหลือดร้อนก็ต้องช่วยเหลือกันต้องดูแลกัน นอกจากพ่อแม่ญาติพี่น้องแล้วก็คนที่เราเกี่ยวข้องด้วยครูบาอาจารย์ครูตามโรงเรียนต่างๆบางทีท่านก็เดือดร้อนขึ้นมาเราก็ต้องช่วยกันครูบาอาจารย์บางทีท่านป่วยไขย้เจ็บไข้ได้ป่วยไม่สามารถมาสั่งมาสอนมาทํางานได้ไม่มีรายได้เราก็ไม่ควรที่จะท อ, ท, ทอดทิ้งท่านก็ควรจะมาช่วยกันเด็กนักเรียนทั้งห้อง มาช่วยบอยจากเงินกันกินคนละนิดคนละหน่อยอันนี้ก็นี่คือการทำบุญต่างๆวิชาการทำบุญความหมายก็คือให้ความช่วยเหลือแก่ผู้ที่เขาตกทุกข์ยากได้ยากเดือดร้อนนอกจากนั้นคนที่เราไม่เกี่ยวข้องเราก็ต้องช่วยเห็นไหมตอนนี้มีภายมีมีพายุเกิดขึ้นในภาคใต้เนี่ยคนก็เกิดความเสียหายเดือดร้อนคนที่อยู่สุขสบาย ที่มีเงินมีทองที่พอจะแบ่งความช่วยเหลือไปได้ก็ควรที่จะส่งไปบริจากเงินช่วยเหลือกันไปตามอัตภาพคิดว่ามัน เ, เป็นการกระทำที่ที่ทําให้เราทุกคนอยู่ร่วมกันอย่างมีความสุขดูแลกันไม่ทอดทิ้งกันถ้าเราไม่ทอดทิ้งเขาเวลาที่เราเดือดร้อนเขาก็จะไม่ทอดทิ้งเราสังคมจะเป็นสังคมที่ อยู่กันอย่างรักกันสามัคคีกันแต่ถ้าต่างคนต่างไล่เมตตาไล่ความการุณาคิดแต่จะเอาประโยชน์ใส่ตนเพียงอย่างเดียวสังคมนั้นก็จะเป็นสังคมที่แร้นแค้นสังคมที่ไม่มีความสุขอันนี้เกิดสร้างบุญกุศลทั้งหลายให้ถึงพร้อม สร้างได้ทุกระดับนะตั้งแต่ระดับพระสงฆ์องค์เจ้าลงมาถึงคนที่เราไม่รู้จักคนที่ก็ตกทุกข์ได้ยากเดือดร้อนหรือแม้แต่สัตว์เดรัจฉานเราก็เราก็ช่วยเหลือกันได้การช่วยเหลือสัตว์เดรัจฉานก็เป็นบุญกุศลอีกแบบหนึ่งเหมือนกันมีหลายระดับด้วยกันที่เราสามารถทำกันได้พระพุทธเจ้าจึงทรงบอกว่าให้ทรง ให้สร้างบุญกุศลทั้งหลายให้ถึงพร้อมอันนี้เรามาถามตัวเราเองว่าเราได้สร้างบุญสร้างกุศลกันมากน้อยเพียงไรทำได้อย่างเต็มที่หรือยังถ้ายัางก็ควรรีบมาทำกันเสียเพราะมันจะทำให้เราเกิดความสุขใจขึ้นมาการสร้างบุญสร้างกุศลนี้จะกาจัดความความรู้สึก อ้างว่างเปล่าเปลี่ยวเดียวได้ได้ความรู้สึกไม่อิ่มไม่พอได้เวลาได้ทำบุญแล้วจะมีความอิ่มใจสุขใ จ, จาการละการกระทำบาป ก, ก็จะช่วยกำจัดความทุกข์ต่างๆให้หมดสิ้นไปในระดับของของศีลได้ส่วนข้อที่สามนี้ก็เป็นการมาชำระใจให้สะอาดบริสุทธิ์ทำไมเราต้องมาชำระใจให้สะอาดบริสุทธิ์ เพราะว่าถ้าใจไม่สะอาดบริสุทธิ์นี่ใจจะทุกข์กับเรื่องนั้นเรื่องนี้อยู่ตลอดเวลาทุกข์กับคนนั้นทุกข์กับคนนี้ทุกข์กับสิ่งนั้นทุกข์กับสิ่งนี้ทุกข์กับเหตุการณ์นั้นเหตุการณ์นี้ทุกข์กับร่างกายร่างกายเป็นอะไรนิดละหน่อยก็ทุกข์เนี่ยเพราะว่าตัวที่มาทำให้เราทุกข์นี้มันอยู่ในใจ คือกิเลสตัณหานี้กิเลสตัณหานี้ท่านบอกว่าเป็นตัวที่ทำให้ใจเราเศร้าหมองเป็นเครื่องเศร้าหมองถ้าเราไม่อยากให้ใจเราเศร้าหมองเราต้องกาจัดกิเลสตัณหาให้หมดไปจากใจการชำระจิตใจให้สะอาดบริสุทธิ์ก็คือการชำระกิเลสตัณหานี้เอง วิธีที่เราจะกำจัด ก, กิเลสตัณหาได้ก็ต้องเกิดจากการภาวนาสมถะภาวนาและวิปัสสนาภาวนาการละการกระทําบาปนี้ไม่สามารถกำจัด ก, กิเลสตัณหาให้หมดไปได้การสร้างบุญกุศลทั้งหลายถึงพร้อมก็ไม่สามารถกำจัด ก, กิเลสตัณหาให้หมดไปได้เพียงแต่กำจัดได้บางส่วนแต่ไม่สามารถกำจัดให้มันหมดสิ้นไปได้อย่างราบคาบ ต้องการให้มหายไปอย่างราบคาบนี้ต้องเกิดจากการบาเพ็ญจิตตภาวนาเท่านั้นที่มีอยู่สองระดับด้วยกันคือระดับส ม, มถาภาวนาและระดับวิปัสสนาภาวนาขั้นต้นก็ต้องทำส ม, มถาภาวนาก่อนเพราะหนึ่งเป็นการกระทำที่ง่ายกว่าวิปัสสนาภาวนาสองเป็นบาทเป็นฐานของวิปัสสนาภาวนา ถ้ายังไม่มีสมถะภาวนานี้จะไปวิปัสสนาภาวนาไม่ได้เหมือนคนที่ยังยืนไม่ได้จะไปวิ่งไม่ได้จะไปเดินไม่ได้ต้องยืนขึ้นมาก่อนถึงจะเดินได้ถึงจะวิ่งได้ถ้ายังคลานอยู่นี่จะลุกขึ้นมาแล้ววิ่งเลยนี่เป็นไปไม่ได้ฉะนั้นการที่เราจ ะ, จะเจริญวิปัสสนาภาวนาได้เราต้องจเจริญสมถะภาวนาก่อน สมัติภาวนาคืออะไรคือการทำใจให้สงบนั่นเองทำใจให้สงบแล้วอะไรเกิดขึ้นจากความสงบก็เกิดความสุขที่เหนือกว่าความสุขทั้งปวงนี่นัตถิสันติบาลังสุขขังจะเกิดขึ้นมาในใจของของใจที่สงบแล้วก็จะเกิดอุเบกขา ใจจะปาสจากความรักความชังความกลัวความหลงอ่ะตัวนี้สาคัญเพราะตัวนี้แหละที่ไปทำให้ใจไปทำบาปไปไปทำอะไรตามความอยากต่างๆพอเห็นอะไรรักขึ้นมาก็อยากได้ขึ้นมาพอเห็นอะไรชังก็อยากจะกําจัดมันพอเห็นอะไรกลัวก็อยากจะหนีแล้ว อ, อยากจะทำลายสิ่งที่มาทำให้เรากลัวกันแต่ถ้าเราทำใจให้สงบได้แล้ว ความรักชังกลัวหลงนี้จะไม่มีอยู่ในใจเห็นอะไรจะเฉยเฉยไม่รักไม่ชังไม่กลัวไม่หลงแต่มันจะอยู่ได้ไม่นานพ อ, อ, อจากสมาธิมาใหม่ๆมันจะไม่รักไม่ชังไม่หลงได้ชั่วคราวเพราะมันเป็นเหมือนน้าเย็นที่เราไปแช่ในในตู้เย็นเวลาเอาออกมาใหม่ๆน้ํามันยังเย็นอยู่แต่ทิ้งไว้สักพักหนึ่งเดี๋ยว ความร้อนของห้องมันก็จะทําให้ความเย็นของน้ํานั้นหายไปฉันได้เวลาเรานั่งสมาธิออกมาใหม่ๆเราจะเห็นอะไรเราจะรู้สึกเฉยๆไม่รักไม่ชังไม่กลัวไม่หลงแต่อยู่ได้ไม่นานเดี๋ยวใจเราเริ่มร้อนะร้อนด้วยอะไรล้อมด้วยกิเลสตัณหาความอยากนี่พอเดี๋ยวไปเห็นอะไรขึ้นมาก็อยากได้เพราะเคยอยากเคยชอบสิ่งนี้เคยดื่มสิ่งนี้เคยรับประทานสิ่งนี้ พอออกมาปั๊บพอคิดถึงมันปั๊บก็เกิดความอยากขึ้นมาเพราะเกิดความอยากความความไม่รักไม่ชังก็หายไปเกิดความรักความชังขึ้นมาถ้าอยากจะรักษาไม่ให้มันหายไปก็ต้องใช้วิปัสสนาภาวนามาสอนใจว่าสิ่งที่เราอยากได้มันเป็นทุกข์นะไม่ใช่เป็นสุขถ้าเป็นสุขก็เป็นสุขปลอมสุขเดียวเดียว สุขที่หุ้มห่อความทุกข์เอาไว้เอพออยากได้อะไรเวลาได้มาใหม่ๆก็สุขเดี๋ยวพอสิ่งนั้นมันเปลี่ยนไปความสุขก็หายไปความทุกข์ก็เข้ามาแทนที่เออยากกินอะไรพอได้กินก็สุขพอกินเสร็จแล้วเดี๋ยวความสุขนั้นก็หายไปะก็เกิดความทุกข์อยากจะกินขึ้นมาใหม่อีกอันนี้เรียกว่าวิปัสสนาให้เห็นว่าสิ่งต่างๆที่เราอยากได้มานี้มันเป็นอนิจจงทุกขขังอนัตตา มันไม่ได้เป็นนิจจังสุขขังอัตตาอย่างที่เราคิดกันได้มาแล้วเดี๋ยวมันก็สูญหายไปแล้วก็จะปล่อยให้เราอ้างว้างเป่าเปลี่ยวทุกข์สู้กลับไปในสมาธิดีกว่าถ้าอยากได้อะไรอยากได้ความสุขก็กลับเข้าไปนั่งสมาธิใหม่ทำใจให้สงบใหม่อย่าไปทำตามความอยากต่างๆ นี่แหละคือวิธีที่เราจะสามารถกําจัดกิเลสตัณหาความโลภความอยากต่างๆให้หมดไปจากใจได้พอเรากําจัดได้หมดแล้วเทนี้จะไม่มีอะไรมาทําให้อุเบกขาของเราหายไปจะอยู่ในสมาธิหรืออยู่นอกสมาธิใจมันก็จะเป็นกลางมันจะไม่รักไม่ชังไม่กลัวไม่หลงไม่ทุกข์กับอะไรอีกต่อไปเพราะไม่มีตัวที่จะมาสร้างความทุกข์นั่นเอง คือความโลภความอยากต่างๆเพราะได้ถูกกำจัดด้วยวิปัสสนาภาวนาด้วยการสนับสนุนของอุเบกขาของสมถตภาวนานี่แหละคือวิธีที่เราจะบูชาพระคุณของพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์วิธีที่พระพุทธพระธรรมพระสงฆ์ต้องการให้เราบูชาก็คือปฏบิบัติบูชานี่เอง ดังนั้นในวันครูนี้ก็ขอให้ท่านจงนำเอาวิธีบูชาพระคุณของผู้มีพระคุณคือครูบาอาจารย์ต่างๆคือหนึ่งอมิตฐสบูชาและสองปฏิบัติบูชาให้ท่านได้นำเอาไปพิณิพิจารณาและปฏิบัติว่าความสุขและความเจริญที่แท้จริงที่จะตามมาต่อไปการแสดงก็พอสมควรแก่เวลาจะขออนุโมทนาให้พร ยะถาวาไรวาหาปูราปาริปุเรนติสากลังเอวเมวอิโตทินนางเปตานังอุปกาปฏิอิช an ิตังปะทิตังต um ุมหังคิปะเมวะสมิจฉาตุสัพเพปุเรนตุสังกปา จันโทปนะอาระโสยะธามะนีโชติอาระโสยะธาสัพพิติโยวิวัชจันโตสัพพะโรโควินัสตุมาเตภวัตวันตาราโยสุขีทีขายุโกภวะ อาพิวาทนสีลิตสะนิจังวุธาปจายโนจตารโรธรรมวัานติอายุนโนสุขังภาลังวันนี้เข้ามาเท่าไหร่วันนี้ทางเฟซบุ๊กเข้ามาสามร้อยสามสิบแปดยูทู สองร้อยสิบแปดวิทยุออนไลน์ยี่สิบห้ารับฟังข้างบนนี้ห้าสิบเจ็ดคนรวมทั้งหมดหกร้อยสามสิบแปดครับ okay. มีใครอยากจะถามคําถามก็เชิญถามได้ในช่วงนี้ถ้าไม่อยากขึ้นมาถามเองก็เขียนใส่กระดาษส่งข้อความเข้ามาก็ได้ตอนนี้ถามจากทางบ้านก่อนก็ได้คําถามจากคุณพคพล ผู้ที่ได้เกิดมาเป็นคนไม่เป็นสัตว์เป็นผู้ที่มีศีลทำบุญมาในชาติก่อนแต่เหตุใดถึงยังมีคนที่ไม่รักษาศีลทำบุญเหมือนชาติก่อนแต่กลับทำความไม่ดีแทนครับ อ, อ๋อไม่จริงหรอกผู้ที่กลับมาเกิดเป็นมนุษย์นี้มีทั้งสองพวกพวกที่ลงมาจากสวรรค์ก็มีพวกที่ออกมาจากอบายก็มีนะพวกที่ออกมาจากอบายก็เหมือนพวกที่เป็นนักโทษแล้วถูกปล่อยออกมา พอพ้นโทษก็ให้ออกมาอยู่เป็นราษฎรธรรมดาแต่พวกไหนมีนิสัยอย่างไรเวลาพ้นโทษหรือเวล า, าหมดบุญพอมาเกิดก็จะทําตามนิสัยเดิมถ้าไม่มีใครมาสอนมาบอกคนที่เคยทําบาปพอกลับมาเกิดเป็นมนุษย์ใหม่ก็จะมีนิสัยชอบทำบาปเหมือนเดิมคนที่เคยทําบุญ เป็นพวกเทวดาพอมาเป็นมนุษย์ก็จะมีนิ ส, สัยชอบทําบุญมนุษย์เราจึงมีทั้งสองพวกปะปนกันอยู่ในโลกนี้พวกชอบอบายามุขพวกชอบทําบุญก็มีอยู่พวกชอบทําบาปก็มีอยู่พวกชอบทําบุญก็มีอยู่พวกชอบบวชก็มีอยูอ่แต่ละคนเคยชอบเคยทําอะไรมาจะติดจะติดมากับจิตใจ แม้แต่การใช้มือซ้ายมือขวาก็จะติดมากับจิตใจเคยใช้มือขวาก็จะกลับมาใช้มือขวาเคยใช้มือซ้ายก็จะกลับมาใช้มือซ้ายเคยชอบสีอะไรก็จะกลับมาชอบสีนั้นชอบสีแดงก็จะกลับมาชอบสีแดงไม่ชอบสีอะไรก็จะกลับมาไม่ชอบสีนั้นของพวกนี้มันอยู่ในจิตใจแต่เปลี่ยนได้ถ้าเรามาเกิดเป็นมนุษย์แล้ว ถ้าเกิดเราเจอคนดีสอนเราบอกว่าทำบาปไม่ดีเช่นเรามาเจอคำสอนของพระพุทธเจ้านี่ท่านจะสอนให้เราเลิกทำบาปถ้าเราเคยมีนิสัยชอบทำบาปถ้าเราอยากจ ะ, ะกำจัด ส, สิ่งที่ไม่ดีให้จากใจเราก็เปลี่ยนได้แต่เราต้องบังคับตัวเองต้องฝืนตัวเองเวลาจะโกหกก็บอกอ่ะโกหกไม่ได้นะ เวลาจะไปดื่มสุราก็บอกดื่มสุราไม่ได้ถ้าเราคอยสอนคอยเตือนคอยห้ามอยู่ต่อไปนิสัยไม่ดีมันก็จะหายไปได้ดังนั้นการมาเกิดเป็นมนุษย์นี่ไม่ได้หมายความว่าต้องเป็นผู้มีศีลมีธรรมมาเกิดเท่านั้นอย่านโลกนี้ก็ไม่มีโจรไม่มีผู้รา ย, ยไม่มีคนทบาบาป แต่โลกนี้เป็นที่มาเกิดเวลาที่บุญกับบาปไม่สามารถดึงเราไปทางใดทางหนึ่งได้บุญไม่สามารถดึงเราไปสวรรค์บาปไม่สามารถดึงเราไปอบายได้เราก็เลยมาเกิดเป็นมนุษย์แทนกันคำถามต่อไปจากคุณมี เวลาที่เราตายสิ่งที่ตายคือร่างกายอย่างเดียวใช่ไหมคะส่วนของเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณตามไปกับจิตใช่ไหมคะในกรณีที่ยังมีกิเลสอยู่ออมีไม่มีก็ตามไปหมดพระพุทธเจ้าก็ยังมีเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณอยู่แต่พระพุทธเจ้าไม่ใช้มันเท่านั้นเองมันเป็นคนรับใช้ของจิตเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณ แต่ตอนนี้เวทนาสัญญาสังขารวิญญาณถูกกิเลสตัณหาเป็นผู้สั่งให้เป็นผู้ใช้มันกิเลสตัณหามันก็เลยสั่งให้เวทนาสัญญาสังขารมาเกิดอยู่เรื่อยๆคำถามต่อไปจากคุณชรินทิพย์การที่เราจะออกบวชตลอดชีวิตโดยที่เรายังมีหนี้สินทางโลกอยู่ยังไม่ได้ชดใช้ให้หมดจะเป็นบาปไหมคะ จะเป็นกรรมติดตัวไปยังพบหน้าภูมิหน้าใหมค่ค่ะเป็นนี่ก็ต้องใช้เข้าให้หมดเลยถ้าไม่ใช้หมดมันก็ยังมันก็เป็นการลักทรัพย์นั่นเองทำลักทรัพย์มันก็เป็นบาปบาปมันก็ต้องใช้ต่อไปในอนาคตถ้ายังไปไม่ถึงนิพพานถ้าไปถึงนิพพานก็ไม่ต้องใช้บาปอย่างอง์กุลิมาฆาคนมาก้าร้อยเก้าสิบเก้าคน พอไปถึงนิพพานก็ไม่ต้องกลับมาเกิดมาใช้บาปต่อไปคำถามจากคุณสุชาดามีสี่คำถามครับคำถามที่หนึ่งผมอยากบวชพระแต่พ่อแม่ไม่ให้บวชผมเลยจะบวชเป็นผ้าขาวก่อนจนกว่าพ่อแม่จะใจอ่อนยอมให้บวชพระอย่างนี้ถือว่าไม่เชื่อฟังพ่อแม่หรือเปล่าครับ เจะว่าไม่เชื่อฟังก็ถูกแต่มันเป็นการไม่เชื่อฟังในสิ่งที่ที่ดีไม่เป็นปัญหาอะไรพระพุทธเจ้าก็ไม่เชื่อฟังพระราชบิพนธ์นะพระราชนิดนธของพระพุทธเจ้าก็ไม่ต้องการให้พระพุทธเจ้าบวชอยากให้เป็นมหาจักรพรรดิเนี่ยแต่พระพุทธเจ้าก็หนีออกไปบวชจนได้เนีงั้นถ้าเราฝ่าฝืนคําสั่งที่ผิดไม่ไม่ถือว่าไม่ไม่ผิดไม่เสียหาย คำสั่งที่ห้าไมใ่ให้เราบวชนี่เป็นคำสั่งที่ไม่ถูกคำสั่งที่ถูกควรจะบอกไปบวชเถิดเป็นเพราะการบวชนี่เป็นประโยชน์ที่สูงสุดสำหรับผู้บวชนะถ้าพ่อแม่รักลูกจริงพ่อแม่จ้องต้องอนุ ญ, ญาตให้ลูกบวชต้องส่งเสริมการบวชของลูกงั้นถ้าเราจะขัดขัดคืนคำสั่งแบบนี้ขัดคืนได้ คำถามที่สองผมกู้ซื้อบ้านกับแฟนเป็นชื่อกู้ร่วมสองคนแต่แฟนบอกว่าสามารถรับภาระผ่อนบ้านไหวถ้าผมจะบวชเป็นพระถือว่าเป็นหนี้หรือเปล่าครับถ้าบวชเป็นพระสามารถบวชได้ใช่ไหมครับหรือต้องให้ไปทําเรื่องเอาชื่อที่ผมกู้ซื้อบ้านกับแฟนให้เป็นชื่อของแฟนคนเดียวก่อนครับถ้ามันเป็นไปได้ก็ไปเปลี่ยนชื่อซะจะได้ไม่มีปัญหา ไม่งั้นเดี๋ยวเกิดแฟนเป็นอะไรไปเขาก็ยิงเขาก็จะไปตามเราที่ที่วัดได้เพราะฉะนั้นก็ถ้าอยากจะไปบวชอยากจะไม่มีพันธะกรณีก็ก็ทำให้มันถูกกฎหมายซะเปลี่ยนชื่อตามให้เป็นไปตามความเป็นจริงซะว่าเราไม่มีภา ร, ระในนี่ส่วนนี้แล้วภรรยาเป็นผู้รับภา ร, ระไปคนเดียวเกิดภรรยาเป็นอะไรไปก่อนก็จะได้เขาก็จะได้มาตามมายุ่งกับเราได้ คำถามที่สามผมมีบ้านให้เช่ามีรายได้ประมาณห5 0่นห้าพันบาทถ้าได้บวชผมแบ่งเป็นสองส่วนส่วนที่หนึ่งให้พ่อแม่ส่วนที่สองให้ลูกกับแฟนเป็นค่าเลี้ยงดูอย่างนี้ถือว่าผมไม่ได้ละทิ้งหน้าที่ในการเลี้ยงดูครอบครัวใช่ไหมครับคุยกับแฟนแล้วแฟนอนุโมทนาบุญกับผมถ้าจะบวชครับถ้าผู้ที่เขาเกี่ยวข้องเ้าอนุโมทนาก็ไม่เป็นปัญหาอะไรคำถามที่สี่นะครับ ถ้าจะไปบวชเป็นภาคขาวเดินตามพระอาจารย์บินทบาตและอยู่วัดพระอาจารย์ปฏิบัติเป็นภาคขาวไปก่อนจนกว่าพ่อแม่จะใจอ่อนให้ผมบวชเป็นพระอยู่แบบไม่มีกำหนดจะได้ไหมครับอันนี้ก็ยังพูดไม่ได้เพราะว่าเหมือนยังไม่รู้จักกันจะไปรับปากอะไรไม่ได้เพราะการมาอยู่ร่วมกันก็เหมือนกับการแต่งงานกันเะงั้นก่อนจะแต่งงานกันนี่เราก็ต้องมั่นกันไว้ก่อน ต้องศึกษาดูนิสัยใจขอว่าเป็นอย่างไรเข้ากันได้หรือเปล่าที่นี่ใครจะมาอยู่เป็นภาคขาก็ยักจะให้อยู่แค่ช่วงคราวก่อนอยู่สองอาทิตย์เป็นอย่างมากแล้วถ้าแล้วค่อยต่ออายุต่อไป คำถามต่อไปจากคุณศิริมามีสองคำถามครับคำถามที่หนึ่งเวลาที่เราได้รับแผ่นพับที่อาจจะเป็นการเชิญชวนให้มาร่วมงานทำบุญซึ่งมีรูปของพระสงฆ์หรือพระพุทธรูป หรือแม้แต่นังสือพิมพ์ที่มีรูปพระสงฆ์หรือพระพุทธรูปดิฉันไม่ทราบว่าจะต้องชํำเช่นไรกับกระดาษที่มีรูปเหล่านี้กลัวจะเป็นการปรามาศพระพุทธเจ้าและพระสงฆ์บางครั้งก็เก็บไว้แต่ไม่ได้ใช้ประโยชน์อะไรแต่ไม่กล้าทิ้งก็ถ้ามันเกะ ก, กะก็เผาได้ก็เผาไปคำถามที่สอง เวลาเดินขึ้นบันไดก็จะมีข้อข้องใจว่าข้างล่างมีพระพุทธรูปตั้งอยู่หรือคนที่ใส่พระอยู่ชั้นล่างดิฉันอยู่ชั้นบนจะบาปไหมคะหรือมีหนังสือภาพพระอยู่ชั้นล่างเดินอยู่ข้างบนจะเป็นบาปไหมคะแต่จะให้ไว้ทุกอย่างชั้นบนก็เป็นไปได้ยากไม่บาปหรอกถ้าเราไม่มีความตั้งใจที่จะไม่เคารพดาบใดที่เรามีความเคารพอยู่จะอยู่สูงกว่า ต่ำกว่าหรือเสมอกันก็ยังเคารพอยู่เหมือนกันความเคารพมันอยู่ในใจส่วนการตั้งสิ่งที่สูงกว่านี้ก็ตั้งไปตามความเป็นไปได้ถ้าเราอยู่ในห้องเดียวกันชั้นเดียวกันก็ควรจะตั้งสิ่งที่สูงกว่าไว้ที่สูงแต่ถ้าเราจําเป็นจะต้องขึ้นไปชั้นสองชั้นที่สูงกว่าอันนี้ก็ไม่ได้เป็นเรื่องของการไม่เคารพแต่อย่างใด มันเป็นเรื่องของเรื่องของการเปลี่ยนสถานที่ของร่างกายใจก็ยังเครารพอยู่เหมือนเดิมอย่างเดี๋ยวโยมนั่งเครื่องบินผ่านวัดก็เข้าห้องน้ำไม่ได้เดี๋ยวหาว่าไปฉี่รถวัดนี้อย่างขึ้นเครื่องบินก็ขึ้นไม่ได้เพราะเครื่องบินมันจะต้องวิ่งผ่านวัดวารามต่างๆอย่าเรื่องของการเปลี่ยนสถานที่ของร่างกายนี้ไม่ได้ เป็นการแสดงความเคารพหรือไม่เคารพนะการแสดงความเคารพไม่เคารพอยู่ที่ใจเราถ้าเรามีความเคารพในใจถึงแม้ว่าร่างกายเราอาจจะอยู่ในสภาพที่เหมือนกับว่าไม่ได้เคารพก็ไม่ได้เป็นการไม่เคารพแต่อย่างใด <c oughs> คำถามต่อไปจากคุณสุริยะ เพราะอะไรการปฏิบัติบูชาพระพุทธเจ้าจึงสําคัญกว่าการบูชาด้วยสิ่งของทําให้พระพุทธศาสนาอยู่ได้ยั่งยืนยาวนานครับก็มีคนมาปฏิบัติก็จะมีคนเหมือนกับคนมาเรียนหนังสือตามโรงเรียนต่างๆพอเรียนจบก็จะมากลับมาเป็นครูสอนเด็กรุ่นใหม่ได้ ถ้าไม่มีใครไปโรงเรียนไม่มีใครไปเรียนหนังสือเเดี๋ยวครูรุ่นนี้ตายไปก็ไม่มีครูรุ่นใหม่มาสอนโรงเรียนก็ต้องปิดาศาสนาพุทธก็เป็นเหมือนโรงเรียนอาจารย์ของาศาสนาพุทธก็คือพระอริยรสงฆ์สาวกทั้งหลายที่เป็นอาจารย์ขึ้นมาได้ก็เพราะเกิดจากการปฏิบัติบูบชาถ้าไม่ปฏิบัติบูบชาต่อไปก็จะไม่มีพระอริยรสงฆ์สาวกมาเป็นครูเป็นอาจารย์ ศาสนาก็จะต้องเสื่อมหมดไปคำถามต่อไปจากคุณเหมือนทิฟถ้าเราเลี้ยงไก่ชนโดยเพาะลูกไก่ขายให้คนอื่นไปเลี้ยงต่อซึ่งบางคนก็เอาสายพันธุ์ของเราไปเพาะเลี้ยงต่อและถ้าเป็นลูกไก่ตัวผู้เขาก็อาจจะเลี้ยงเอาไปชนกันเล่นพนันไก่ชนกันแบบนี้ถือว่าเราได้ร่วมทาบาปหรือไม่ครับรบกวนขอคาชี้แนะด้วยครับ เป็นอาชีพไม่ชอบเขาเรียกว่ามิจฉาอาชีพไม่ใช่สามมาอาชีพการที่เราหาประโยชน์สุขจากความทุกข์ของผู้อื่นนี่ไม่ควรจะทําอย่าไปเลี้ยงอาชีพที่ทําให้ผู้อื่นเขาต้องเสียหายเดือดร้อนจากการทําอาชีพของเราคําถามต่อไปจากคุณวิโรธตามที่ภัสสาก่อให้เกิดเวทนาเราต้องปิดภัสสะหกทั้งหมด ไม่ครับการหลับตาดูลมตลอดเวลาไม่เดินจงกรมถือเป็นการปฏิบัติธรรมที่ถูกต้องหรือไม่ครับการที่เราจะไม่สัมผัสกับเวทานานี่ก็มีสองเวลานั้นเวลาตายเนี่ยเวลาตายแล้วไม่สัมผัสกับเวทานานสองเวลาหลับเวลาหลับก็จะไม่สัมผัสกับเวทานานแต่เวลาตื่นนี้ต้องสัมผัสกับเวทานานทางร่างกายจะต้องรู้ว่าเจ็บตรงนั้นปวดตรงนี้ อันนี้เราสามารถที่จะไม่เดือดร้อนกับการสัมผัสได้ถ้าเรามีสติมีปัญญาเพราะว่าเวทนาเองนั้นไม่ได้เป็นปัญหาปัญหาอยู่ที่กิเลสในใจเราที่ไปชอบหรือไม่ชอบเวทนาเพราะเกิดชอบไม่ชอบก็เกิดตัณหาความอยากเพราะเกิดตัณหาความอยากก็จะเกิดความทุกข์ใจขึ้นมา ถ้าเรามีสติมีปัญญาเราก็จะระงับกิเลสตัณหาได้เราก็จะสัมผัสกับเวทนาแบบไม่รู้สึกเดือดร้อนได้นนี้คือเรื่องของเวทนาเราห้ามมันไม่ได้ถ้าตราบใดเรามีขันห้ามันจะต้องเจอเวทนาส่วนเรื่องก า, การปฏิบัตินั่งสมาธิหลับตาอันนี้ก็เพื่อทำใจให้สงบ เพื่อจะได้มีกําลังที่จะประเชิญกับเวทนาต่างๆได้ถ้าใจสงบใจจะเป็นอุเบกขาใจจะไม่วุ่นวายไปกับความเจ็บของทางร่างกายคำถามต่อไปจากคุณสิริถ้าบิดามารดาของเราอยู่กับพี่ชายที่มีอารมณ์โกรธอยู่เนืองๆแต่เราแต่งงานออกมาแล้วลูกควรทำใจอย่างไรเราแผ่เมตตาให้พวกเขาได้หรือไม่เจ้าคะ อ๋อแผ่เมตตานี่ต้องแผ่ตอนที่อยู่ร่วมกันเจอกันการแผ่เมตตานี่คือการแสดงไม่ตีจิตแสดงความปรารถนาดีแสดงการให้ความสุขแก่ผู้อื่นเรียกว่าแผ่เมตตาอย่างนั้นเรื่องของคนอื่นนี้เราไปห้ามเขาไม่ได้เขาจะโกรธเขาจะเป็นอะไรนี้เป็นเรื่องของเขา นอกจากว่าถ้าเขามาถามเรามาขอความช่วยเหลือจากเราว่าทํายังไงให้เขาไม่โกรธ ถ, ถ้าเรามีธรรมะเราก็สอนเขาไปคําถามต่อไปจากคุณกนกวันโยมไม่ค่อยได้เข้าวัดทําบุญบ่อยนักจะไปก็เมื่อมีโอกาสพิเศษหรือวันสําคัญต่างๆทําบุญทําทานอยู่เป็นเนืองๆอยู่บ้านโยมก็ชอบฟังธรรมและดูลมหายใจเข้าออก ภาวนาพุโทโธในเวลาที่นึกขึ้นมาได้และสวดมนต์บ้างแต่ไม่ทุกวันเจ้าคะ่ะโยมปฏิบัติถูกทางหรืออย่างเจ้าคะ่ะควรปฏิบัติอย่างไรเพิ่มเติมเรื่องทำบุญนี้เราไม่ต้องมาวัดก็ได้ทำได้ทุกที่ทำได้กับทุกคนทำกับคนที่เราอยู่ด้วยกันก็ได้นในบ้านซื้อขนมมาฝากทำอะไรช่วยเหลือกันเขาต้องการความช่วยเหลือเราก็ช่วยเหลือเขาไป อันนี้ก็เป็นบุญเหมือนกันไม่ต้องมาที่วัดก็ได้ส่วนเรื่องอื่นก็ให้ทำให้มากๆทำให้มันต่อเนื่องสังเทศสัทงทําได้ทุกวันนีน้ก็ดีภาวนาดูลมหายใจเขาออกได้อย่างต่อเนื่องก็ดีทำให้มันมากขึ้นไปเรื่อยๆอคำถามต่อไปจากคุณโคจาถ้าของที่จัดเตรียมไว้ใส่บาตร พอถึงเวลาจะใส่ดันป่วยกระทันหันไปใส่บาตรไม่ได้ขอกราบเรียนถามว่าอาหารนั้นสามารถอนุญาตให้คนอื่นทานได้ไหมเจ้าค้าจะเป็นบาปไหมก็ไม่บาปอะก็เป็นทานเหมือนกันก็เป็นบุญเหมือนกันแทนที่จะให้พระกินก็ให้คนอื่นกินเท่า น, นั้นเองแต่การเสียสละของเราก็เหมือนกันเราได้เสียสละอาหารนั้นไปก็ถือว่าเป็นบุญเหมือนกัน คำถามต่อไปจากคุณตรีชาเวลามีคนมากระทําไม่ดีกับเราแล้วหนูก็โมโหควรจะวางใจอย่างไรเจ้าคะก็วางใจว่าเราห้ามเขาไม่ได้เขาเป็นเหมือนดินฟ้าอากาศเราห้ามฝนตกไม่ได้ห้ามฟ้าร้องไม่ได้เราไม่รู้สึกอะไรเวลาฝนตกฟ้าร้องเพราะเรารู้ว่าเราไปห้ามเขาไม่ได้ฉันใด้แล้วก็พยายามมองคน ว่าเป็นเหมือนฝนฟ้ า, ากาศกันแล้วกันเราห้ามเขาไม่ได้เขาอยากจะทำอะไรพูดอะไรก็เรื่องของเขาปัญหาของเราที่เราไม่พอใจก็คือความอยากของเรานั่นเองอยากให้เขาไม่มาทำไม่มาพูดอะไรไม่ดีพอเขาทำเราก็เลยโกรธ้วือเสียใจเห็นเราต้องมาแก้ที่ใจเราเราต้องทำใจเราว่าอย่าไปอยากให้เขาทำอย่างนั้นทำอย่างนี้ เหมือนกับเราไม่ได้ไปหยาด ก, กับฝนฟ้าอากาศเราก็อย่าไปหยาด ก, กับเขาแล้วเราจะไม่มีความรู้สึกอะไรเวลาที่ก็พูดหรือก็ทําอะไรคําถามต่อไปจากคุณเหมือนทิพตอนนี้ผมเป็นตัวแทนรับหมูยอกุญเชียงหมูยองจากโรงงานมาขายทั้งปลีกและส่งเป็นประจําทุกวันอาชีพแบบนี้ถือว่าบาปไหมครับและถ้าบาปผมควรทําอย่างไรดีครับถ้ามัน ไปทําให้เขาต้องไปฆ่าสาัตว์เพื่อมาเอาเนื้อสัตว์ที่เราต้องการมันก็บาปคือทอําเองก็ดีฆ่าเองก็ดีหรือสั่งให้คนอื่นเขาฆ่าก็ดีก็บาปแต่ถ้าเราไม่ได้ไปสั่งเขาเราเพียงแต่ถามเขาว่ามีไหมถ้าเขามีอยู่แล้วเราก็ซื้อมาอย่างนี้ไม่บาปแต่ถ้าเราไปสั่งล่วงหน้านี้มันน่าจะบาปเพราะว่าเมื่อเราไปสั่งเขาถ้าเขาไม่ได้ฆ่าเขาก็ต้องไปฆ่ามาเพื่อเอามาให้เรา แต่ถ้าเขาฆ่าเสร็จแล้วเราไปถามเขาว่ามีไหมถ้ามีอย่างนี้ก็ไม่บาปนะครับถ้าไม่มีเราก็ไม่ซื้อเท่านั้นเองคำถามหมดแล้วครับอการทําอาชีพบางทีก็ค่อนข้างจะลําบากเหมือนกันเพราะมันมันบางทีก็เป็นไม่มันมันไม่ดําทีเดียวมันไม่ขาวทีเดียวบางทีมันก็ก็ต้องอนุโลมไปตาม ตามสภาพแวดล้อมถ้าตราบใดเราไม่มีส่วนโดยตรงคือเราไม่ได้ทำเองแล้วเราก็ไม่ได้ไปสั่งให้เขาทำคำถามต่อไปจากคุณเคสคนที่รักมากตายเกิดทุกขเวทนาหนักมากในสามวันแรกพอวันที่สี่เกิดการพิจารณาแยกธาต ว่าสิ่งที่ตายนั้นประกอบด้วยาธาตุรู้และาธาตุทั้งสี่าธาตุรู้ไม่ได้หายไปไหนเห็นกฎอิทับปัจยตาว่าเมื่อเกิดสิ่งนี้จึงมีสิ่งนี้เพราะความเกิดขึ้นแห่งสิ่งนี้สิ่งนี้จึงเกิดขึ้นเมื่อคิดได้จึงดับอารมณ์ปรุงแต่งทั้งหลายความทุกข์ใจก็คลายหมดสิน้นไม่เกิดความอาวรณ์ในสิ่งที่ได้สูญเสียไปแล้วอีกตอนนี้ไม่โศกเศร้าแล้วค่ะ เวลาอุทิศส่วนบุญให้เพียงแค่นึกถึงเขาตัวธาตุรู้นี้ก็สามารถรับรู้ได้เลยใช่ไหมเจ้าคะถ้าเขารอรับรู้อยู่ถ้าเขาไปรับผลบุญผลบาปเขาก็จะไม่รู้ว่าเราได้อุทิศส่วนบุญให้กับเราให้กับเขาไปคำถามต่อไปจากคุณสุมนาเวลาคนทำบาปได้รับผลกรรมต้องรับโทษ แล้วเรารู้สึกดีใจสะใจสมน้ําหน้าความคิดแบบนี้ไม่ถูกต้องเหมาะสมใช่ไหมขณะเดียวกันเมื่อเห็นเขาได้รับโทษก็ทําให้เรารู้สึกกลัวไม่กล้าทําแบบเขาเพราะกลัวได้รับผลแบบเดียวกันแล้วเราควรจะวางใจอย่างไรจึงจะถูกต้องครับอ็ เ, เฉยๆนั่นไงใครทํากรรมนั้นนะใครทํากรรมันใดไว้ดีหรือชั่วจะต้องเป็นผู้รับผลของกรรมนั้นะ เราก็รับรู้เฉยๆสักแต่ว่ารู้ไปไม่ต้องไปดีใจไม่ต้องไปเสียใจห<ะ>มดแล้วนะมีใครอยากจะถามอีกไหม<ะ>เดี๋ยวเอาไมโครโฟนไปผมอยากจะถามพระอาจารย์นะว่าอย่างกรณีตอนเช้าที่ผมใส่บาทแล้ว พระมาไม่ทันแล้วผมต้องไปทํางานก่อนแล้วฝากข้าวที่ร้านที่ซื้อไว้ใส่ให้อ่าอย่างนี้จะได้รั บ, บได้ ไ, ได้บุญแล้วละ่ะถ้าเราฝากให้คนอื่นใส่ให้ถึงแม้เขาจะไม่ใส่เราก็ได้บุญบเพราะว่าในใจเรานี้เราได้สละเงินก้อนนี้ไปแล้วใครจะไปกินก็ไม่สำคัญนะครับขอบการักบุญพระอาจารย์ครับไม่ต้องไปกังวลว่า เ, เขาจะทำตามที่เราสั่งหรือเปล่า ถ้าก็ไม่ทําตามก็เรื่องของเขาแต่เราได้บุญแล้วพราะเราได้เสียสระเงินก้อนนี้ไปแล้วยังไม่มีคำจามงไม่มีนะครับผมถ้าไม่มีก็คิดว่าพอสมควรแก่เวลาก็ขอให้ท่านจงนำเอาสิ่งที่ได้ยินได้ฟังไปพินิจพิจารณาไปปฏิบัติเพื่อความสุขความเจริญก้าวหน้าในธรรมยิ่งยิ่งขึ้นไปเถอ